ลักษณะที่ควรสังเกตเป็นพิเศษของศีลข้อต่อไปข้อหาคำว่าศีลมีความหมายและขอบเขตกว้างมากและมีการใช้ทั้งแบบเคร่งครัดและอย่างหลวมๆยิ่งเมื่อนำมาใช้ในภาษาไทยก็มีการเพี้ยนและคลุมเครือมากขึ้นโดยเฉพาะมักจะสับสนกันบ่อยกับคำว่าวินัยซึ่งบางทีก็ใช้ปนๆกันไปบางทีก็เหมือนใช้แทนกันได้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 ส่วนศีล น, นอกจากเป็นธรรมแล้วยังมีส่วนที่เป็นวินัยด้วยดังนั้นจึงแบ่งศีลได้เป็นสองระดับคือหนึ่งศีลในระดับที่เป็นธรรมหรือธรรมขั้นศีลได้แก่หลักความประพฤต ท, ทางกายวาจาและอาชีวะที่แนะนำสั่งสอนกันโดยถือเอาภาวะที่ควรจะมีควรจะเป็นตามธรรมชาติเป็นหลักและผู้ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนย่อมได้รับผลดีหรือชั่ว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 เป็นประบบวิธีจัดการทางสังคมที่จะฝึกคนให้มีศีลหรือพูดให้สั้นว่าวินัยก็คือวิธีจัดการฝึกคนให้มีศีลนั่นเองส่วนศีลนั้นอาศัยวินัยแต่ไม่ใช่วินัยเพราะศีลเป็นส่วนหนึ่งของธรรมวิธีแยกคือธรรมเป็นเรื่องของธรรมชาติวินัยเป็นเรื่องของสังคมหรือเกิดจากฝีมือของมนุษย์ เมื่อแยกแยกความหมายให้เข้าใจดีเป็นฐานไว้แล้วก็สามารถพูดถึงศีลในความหมายแบบหลวมๆสบายๆเป็นขั้นๆแง่ๆได้ต่างๆเช่นว่าศีลเป็นระเบียบวินัยเพื่อสร้างสังคมที่เรียบร้อยไม่เบียดเบียนกันอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขเป็นสภาพเกื้อกูลแก่การดำเนินชีวิตและปฏิบัติกิจของสมาชิกทั้งหลายศีล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 หรือคนที่ได้รับการฝึกอบรมดีมีการศึกษาแท้จริงบรรลุภูมิธรรมอันสูงแล้วลักษณะที่ควรสังเกตเป็นพิเศษของศีลข้อต่อไปข้อ6สาระของศีลอยู่ที่เจตนาได้แก่อวีติกรรมคือการไม่ตั้งใจไม่คิดล่วงละเมิดคำว่าละเมิดแง่หนึ่งละเมิดระเบียบละเมิดกฎเกณฑ์บทบัญญัติละเมิดวินัยที่วางกันไว้